ทรงปรับทุกกฎเมื่อประนามไม่ถูกต้องสมัยนั้นอาจารย์ทั้งหลายประนามอันเตวาสิกผู้ประพฤติชอบไม่ประนามอันเตวาสิกผู้ประพฤติมิชอบภิกษุทั้งหลายจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายอันเตวาสิกผู้ประพฤติชอบอาจารย์ไม่พึงประนามรูปใดประนามต้องอาบัตรทุกกฎภิกษุทั้งหลาย อันเทวศิษย์ผู้ไม่ประพฤตชอบอาจารย์จะไม่ประนามไม่ได้รูปใดไม่ประนามต้องอาวัตทุกฎ